ที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกๆกดีอาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องเราวาดมโนภาพศพขึ้นมาหลอกตนเองให้กลัวเปล่าๆมากกว่าอย่ากระนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพระธุดงค์กรรมฐานทั้งองค์ที่โลกใหนาว่าเป็นพระที่เก่งกาศอาถานเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรอไรไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้ว